ขอถามคําถามหนึ่งค่ะคือหนูอยากทราบว่าจริงๆแล้วการตั้งมั่นที่ยังเป็นปุถุชนเนี่ยมันเป็นเซอร์เคิลเหมือนกันใช่ไหมคะพอรู้สึกว่าช่วงเวลาที่ตั้งมั่นเนี่ยมันเป็นเดี๋ยวก็มันจะหมุนเวียนแล้วก็จะรู้ว่าเป็นช่วงเวลาเนี้ยเดี๋ยวมันจะกลับมาตั้งมั่นใหม่ซึ่งก็สังเกตมาหลายเดือนแล้วว่ะค่ะก็เป็นช่วงๆหมุนไ ป, ไ ป, ไป เ, เรื่อยเดี๋ยวเจริญเดี๋ยเสือ่อมไม่ตั้งตลอดเพราะไม่เที่ยง แล้วเคมีในร่างกายเรามีผลต่อจิตด้วยใช่ไหมคะมีพอรู้สึกว่าในการปรับเปลี่ยนฮอร์โมนของร่างกายผู้หญิงเนี้ยมีผลต่อการตั้งมั่นด้วยอะไรเงี้ยม ค, นะคือร่างกายยังมีที่พลนะผู้ชายก็เป็นแต่ว่าถ้าภาวนาสุดขีดไปแล้วเนี้ยไม่เป็นมันก่อนมีพระนั่งอภิธรรมมาถามตัมบอกว่า แต่มันน่าเกลียดไม่เล่าดีกว่า <c oughs> คือบางคนในไปเรียนอนภะิธรรมนะคิดว่าพระอราหันต์เนี่ยเป็นขันธี <c oughs> บอกจริงๆแล้วฮอร์โมนอะไรต่ออะไรเนี่ยปกติเลยเป็นคนปกติเหมือนคนทั่วๆไปนี่เองแต่จิตน้นมันพ้นอิทธิพลของกายไปหมดแล้วนะไม่ใช่ภาวนาแล้วเลยพิกลพิการ อกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะวันนี้เขาการขอส่วนแบ่งของเวลามากขึ้นคือว่าเพื่อบุญกุศลของผู้ที่อยู่เบื้องหลังที่มองไม่เห็นคือโดยปกติเนี่ยเป็นคนที่กลัวผีมากยมลดใหม่ลงนิดนึงแล้วก็คืนก่อนเนี้ยะได้ยินเสียงที่ผิดปกติ ก็ดูขันทํางานร่วมกันร่วมกันเสริมกันใหญ่จนกระทั่งใจเต้นแรงแล้วก็แว บ, บขึ้นมาอีกแล้วว่า เ, ออเราไม่ได้ดูตัวที่อยากหายกลัวตอนนี้ด้วยด้วยอันเนี้ย่ะก็เลยพอพอดูตัวที่อยากหายกลวัวก็หายไปแล้วตอนนี้เขาก็ทดสอบอีกครั้งหนึ่งพอทดสอบอีกครั้งหนึ่งก็ปรากฏว่าติดนี้ ไม่ไหวเลยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็เห็นว่า อ, อ, อันเนี้ยมันเป็นการผิดพลาดเพราะว่ามันทิ้งปัจจุบันไปเพราะตัวกลัวเนี่ยมาก่อนตัวหายกลัวมาทีหลังแล้วเราไปวุ่นวายจัดการกับการกลัวเพราะฉะนั้นเราทิ้งปัจจุบันอันนี้เสียหาย จึงเห็นว่าพอจิตเนี่ยเขาหลุดพ้นจากอำนาจของตันหาเขาจะมีความเบิกบานวาก ว, าว้างกวางว่องไวตันหาจะมาครอบงำเนี่ยโอกาสน้อยลงการสร้างภพก็น้อยลงถูกแล้วค่ะเห็นอย่างนั้นเลย แล้วไงจบแล้วหรือจบแล้วค่ะอันนี้ก็ต้องขอขอส่งบุญให้ท่านผู้ที่อยู่เบื้องหลังที่มาช่วยย้ำเตือนซึ่งซึ่งเมื่อวานก่อนที่ส่งกันบ้านไปมันก็ยังไม่แจ้งก็รู้แต่ไม่แจ้งคราวนี้แจ้งแล้วก็แบบจำไม่ลืมแล้วตอนนี้จิตนี่จะแบบทันกับความอยากดีละ <c oughs> คือจริงๆแล้วสภาวะใดๆเกิดขึ้นไม่ใช่ปัญหา อย่างความกลัวเกิดขึ้นไม่ใช่ฝึกไม่ให้กลัวความกลัวเกิดก็ได้ความโลภความโกรธอะไรเกิดก็ได้แต่เมื่อจิตไปรู้เข้าเนี่ยจิตเป็นกลางไหมถ้าจิตไม่เป็นกลางมีตัณหายินดียินร้ายอะไรขึ้นมาเนี่ยจิตจะปรุงแต่งสร้างพบความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้าจิตรู้สภาวะทั้งหลายด้วยความเป็นกลางไม่ยินดีไม่ยินร้ายเนะี่ยมันจะไม่มีตัณหาเกิดขึ้นจิตก็ไม่ทุกข์นะ อันนี้เป็นปัญญาขั้นกลางๆถ้าปัญญาขั้นสูงขึ้นไปเนี่ยจิตจะมีตัณหาหรือจิตจะไม่มีตัณหาจิตก็ทุกข์โดยตัวของจิตเองอันนี้เรายังไม่เห็นอีกหน่อยจเห็นนะ <c oughs> ถ้าเห็นเมื่อไหร่ก็จะจบแล้วนะสการค่ะโ <c oughs> ยมอย่าไปบังคับให้นิ่งนะวัดหลวงพ่อดูโลง่ลงๆไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกแต่ว่าคนก็กลัวกันเยอะ ใครอยากมาอยู่วัดก็ต้องทำใจนะกรามนวมาส ก, การค่ะเมื่อวานนี้ได้ยิน เ, เรื่องของพี่น้องแววๆก็เลยตอนเย็นตอนเช้าก็ไม่ค่อยฟุ้งซ่านเท่าไหร่เพราตอนเย็นกลัว <laughs> ก็ฟุ้งซ่านมาก <laughs> แต่ก็นั่งวิปัสสนาแล้วก็ช่วยได้บ้างนะคะดูไปที่กลัวนะเพราะกลัวไม่ใช่ไปดูให้หายดูที่ความเป็นกลาง ค่ะแล้วก็แต่ว่าเมื่อเช้าเนี้ยค่ะจะฟุ้งซ่านเพราะว่าบันจีเป็นปัญหาเรื่องเสียงภาคในหัว<ม>แล้วมันก็จะมีตลอดทั้งอบรมตักเตือนอะไรต่างๆ<ม> น, านานาจนกระทั่งรู้สึกว่ามันก็มาดูใจอีกว่ามันมันไม่เป็นกลาง<ม>ก็ถอยออกมาก็ก็ดูเป็นภาพรวมๆว่าเป็นฟุ้งซ่านแต่ก็มันก็รู้สึกเหมือนดูห่างๆ<ม>ก็ไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่าถ้าถูกนะเราก็ไม่เด็ดร้อนกับความฟุ้งซ่าน ก็เดือดร้อนอยู่เหมือนกันอไม่ถูกบเลยค่ะแสดงว่ายังไม่เป็นกลางจริงถ้าเราเป็นกลางจริงเรายังไม่เดือดร้อนอ่ะอ๋อใจไม่เป็นกลางหมดแล้วค่ะเพราะว่าใจไม่พอใจค่ะตอนนั้นนั่นแหละดูไแต่ว่าค่ะมันจมมันจมอยู่ในนั้นมากก็เลยพยายามถอยออกมาดูแล้วก็ที่กราบเรียนถามท่านอาจารย์เมื่อวันก่อนนี้ได้ไปลองทดลองทําดูไม่ทราบว่าถูกต้องบ้างคือถามอะไรลราลืมไปละ่วันหนึ่งคนถามเยอะเกิน ถามว่าการับเรียนถามว่าจะขอคําแนะนําจากท่านอาจารย์แล้วท่านบอกว่าพยายามอย่าทําำก็ก็พยายามแล้วไม่แน่ใจค่ะได้นเลยได้ดีขึ้นอ้าวหนุ่มนี่แล้วไงภาวนาเป็นไงเออภาวนาอย่างอย่างตอนนี้ผมรู้สึกว่าใจใจอย่างตอนนี้นี่ถือว่าไม่ไ ม, ไม่ยังไม่ไม่ถึงฐานอย่างนี้ใช่ไหมครไม่ถึง เหมือนจะรู้ตัวแต่ว่ามันก็มันไม่รู้จริงไม่รู้จริงใช่ไ้ยครับมันรู้อยู่นอกนอกครับก็รู้ไปว่ามันรู้อยู่นอกนอกครับอย่าอยากรู้เข้ามาให้ถึงฐานนะมันมันมันเหมือนกับมันเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าอย่างนี้มันยังไม่ใช่อะไรแล้วเราไม่ชอบครับไม่ใช่ไม่เป็นไรนะไม่ชอบเนี่ยมีปัญหาครับเราไม่ชอบแล้วดิ้นรนดิ้นรนจิตใจที่ดิ้นรนนั้นเรียกว่าสร้างพบขึ้นมาครับอี่าไปหลงกล สภาวะอะไรเกิดขึ้นก็ได้รู้ว่าใจไม่ตั้งมั่นใจไม่ถึงฐานรู้ไปครับอย่าไปอยากให้ถึงถ้าอยากให้ถึงแล้วก็จะปรุงแต่งความทุกข์ก็จะเกิดคือถ้าถึงในี่ใจมันต้องมันจะมีกําลังมากกว่านี้ใช่ไหมมากกว่านั้นจิต ถ, ถ้าใจไม่มีกําลังของสัมมาสมาธิเต็มที่นะไม่มีปัญญาครับอริยมรรคจะไม่เกิดในขณะนั้น แต่การที่เรารู้ว่าจิตกระจายออกไปรู้อยู่นอกๆรู้ทันแล้วเนี่ยแล้วเรารู้ด้วยความเป็นกลางนะไม่ได้มีปัญหาอะไรเราก็จะเห็นความจริงว่าจิตเป็นของบังคับไม่ได้จิตที่อยู่นอกๆสั่งให้เข้ามาข้างในก็ไม่ได้แต่ตรงที่เป็นกลางจริงๆนะไม่ได้อยู่ข้างนอกข้างในกลางก็คือกลางางั้นถ้าเราไม่เข้าใจตัวนี้เราเห็นว่าจิตออกนอกเราดึงเพื่อจะให้เข้าไปข้างในถ้าเข้าไปข้างในเรียกหลงส่งเข้าไปข้างในอีก ไม่เป็นกลางจริงถ้าเป็นกลางจริงๆมันไม่รู้สึกว่าไปข้างนอกไปข้างในเคยหลวงปู่ดูล น, นะเคยสอนบอกอย่าส่งจิตออกนอกบางคนพอได้ยินนะก็เลยส่งจิตเข้าไปข้างในส่งเข้าไปเพียงข้างในดูความไหวยิบยับยิบยับภายในหลวงปู่เทศท่านก็สอนต่อยอนะท่านรุ่นถัดมาท่านสอนต่อยไม่ส่งนอกไม่ส่งในเนี่ยไม่ส่งนอกไม่ส่งในอยู่กลางๆง ลูกฝิดที่ดีก็ประคองจิตเอาไว้ตรงกลางอีกนะมาหลวงพ่อมาบอกว่าเอ้ตรงกลางก็อย่าไปประคองอย่าไปรักษาไว้นะปล่อยเลยไม่คิดอีกทํำยังไงจะปล่อยรวมความก็คือในใจเราเนี่ยไม่คิดแต่ว่าทํายังไงเราจะดีทํำยังไงเราจะถูกเราคิดแต่คำว่าทำให้เรารู้กายเป็นยังไงรู้ลงไปจิตใจเป็นยังไงรู้ลงไปไม่ใช่ให้ทําอะไร เพราะฉะนั้นจิตกระจายออกไปรู้ว่ากระจายไม่ต้องทำให้เข้ามานีบ่บางคนไม่เข้าใจพอจิตออกไปข้างนอกก็วก<ม>เข้าข้างในเลยเพ่งเข้าข้างในลึกๆๆ ล, ล, ล, ลงไปข้างในเรื่อยๆหลวงพ่อเคยเป็นเหมือนกันแล้วไปเจอหลวงปู่สิมเขาหลวงปู่สิมท่านบอกผู้รู้ผู้รู้ออกมานอกๆนี่ทีแรกได้ยินว่าให้ออกไปนอกๆนะฟังแล้วงงนะ เคยได้ยินแต่ครูบาอาจารย์บอกว่าอย่าออกนอกเราส่งเข้าไปข้างในแทนท่านบอกให้ออกมานอกๆท่านบอกกิเลสอยู่ข้างนอกนี่ออกมาอยู่กับโลกข้างนอกนี่นั้นไม่ใช่ให้เราส่งจิตเข้าไปซ่อนไปข้างในครับนะจุช่วงเช้าเห็นว่ามันกระสรับกระส่ายเจ้าค่ะแล้วก็พอเวลางเหนื่อยนั่ขึ้นมาเห็นหลวงพ่อมันก็จะเกรงแล้วก็แล้วก็บางช่วงพอรู้ว่าตัวเองตั้งใจมันก็จะคลายเจ้าค่ะ แล้วก็เห็นว่ามันสลักเปลี่ยนเร็วมากแล้วเดี๋ยวมันก็ตั้งมั่นแล้วก็เดี๋ยวสักครู่มันก็ออกมาทํางานของมันหลูกหล็กกระสับกระสายอีกนะเจ้าค่ะผมก็รู้สึกมันเปลี่ยนเร็วจนแบบมันเปลี่ยนนะถ้ามันไม่เปลี่ยนอะเป็นปัญหาถ้ามันเปลี่ยนไม่ใช่ปัญหาแล้วก็ตอนนี้ก็ตื่นเต้นนะเจ้าค่ะแล้วก็กดนิดๆนะเจ้าค่ะครับถูกแล้วคุณเบนเป็นไงหลายวันละเพ่งเพ่งค่ะตอนนี้แล้วมันมีแทรกแทรกอะผมก็ ดีที่เรารู้ทันนะเห็นไหมจิตจะเพ่งห้ามมันไม่ได้จิตจะแทรกแซงก็ห้ามมันไม่ได้ดูอย่างนี้แหละดูเพื่อให้เห็นว่าเราบังคับมันไม่ได้จริงมันทำงานของมันได้เองดูออกไหมมันทำงานของมันได้เองแสดงว่ามันไม่ใช่ตัวเราดูไปเรื่อยๆมาสการหลวงพ่อค่ะคือคือยอมเป็นคนที่ ดูลมหายใจอยู่เรื่อยๆแล้วก็บอกกับหลวงพ่อเมื่อวานก่อนนะแล้วหลวงพ่อบอกว่าจิตไปแปะอยู่ที่ลมก็พยายามแก้แก้คือตอนแรกก็พยายามดูที่จะหาให้เจอว่าดูลมหายใจที่ถูกเป็นยังไงก็อืดอัดคล้ายๆรู้สึกว่ามันไปบังคับอมันไปบังคับก็เลยเฉยๆปล่อยเฉยๆพอสักประเดี๋ยว ก, ก็กลับเข้าไปดูก็มีคำว่า ดูว่าดูผู้อือ่นไม่ใช่เราก็ดูดูไปก็เจอล่าดูลมหายใจที่เขาเดินอยู่ของเขาเองเนี่ยก็รู้สึกว่านุ่มๆเบาๆสบายๆเขาไม่ไ ม, ไม่ไม่ขัดแล้วพอมาตอนหลังก็มาคิดได้ว่าไอ้ที่ตอนแรกขัดขั ด, ขดตอนแรกก็เพราะว่าปัญหาตัญหามันอยากให้ได้แล้วก็มันก็ขัดใจแต่พอวางปุ๊บเขาก็ น่านเราดูไปเรื่อยๆดูเหมือนดูคนอื่นนะกายนี้เหมือนกายคนอื่นใจนี้เหมือนใจคนอื่นดูไปอย่างนี้เรื่อยๆค่อยๆถอดถอนความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเราเดี๋ยวคุณดำเกลงใ ห, ให้ให้หนุ่มข้างหลังกันด้วยเดี๋ยวจะเกรงนานอ่ะ <c oughs> คุณดำเกลองน่าไม่เกรงแล้ว <c oughs> <c oughs> อ้าวว่าไปต อ, อนเช้ารู้สึกดีดี แต่พอมาหลังกินข้าวรู้สึกว่ามันมันกระจายกระจายพิลึก <นะ S 1> บอกไม่ไมถจายไม่เป็นไรนะคือสําคัญคือไม่ชอบมันพยายามกดมันอะตอนนี้กดอยู่แล้ครับ อ, อ่ากดอยู่แต่ทื่อๆอยู่หนหนึ่งรู้สึกไหมมันมีความนิ่งๆซึมๆนิ่งๆอยู่อ๋อเหรครับคือช่วงนี้มีความรู้สึกว่าจิดฟุ้งซ่านแนละ้วรู้สึกไหมจิดฟุ้งซ่านหรือว่าฟุ้งซ่านไปนะครับอย่าไปน้อมให้ซึมนะ ไม่ใช่ความมันฟุ้งเราไม่ชอบแล้วก็น้อมน้อมให้ซึมซึมอย่างเงี้ยไม่ดีแต่ช่วงนี้ผมก็ไม่ได้ทําปฏิบัติตามรูปแบบหรือว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ใช้เครื่องอยู่ในใ ช, ชีวิตประจําวันอะไรเลยก็พอไม่ทําอะไรเลยแล้วรู้สึกว่ามันเคว้งควางพ่กลเหมือนไม่มีหลักยึดแต่ก็หลับหูหลับตาทําไปลครับก็ก็บอกให้ไม่แนะนํามาให้ทําอย่างนี้ก็เลยทําอย่างนี้จริงจริงแล้ว คอยรู้ร่างกายไปก็ได้นะไปเดินจงกรมไปอะไรเงี้ยร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกไปเห็นร่างกายที่เดินอยู่ไม่ใช่ตัวเราไปเรื่อยๆแล้วก็พอเรารู้ร่างกายอยู่พอจิตใจเราสายไปสายมาเราก็มีสติรู้ทนันอีกเห็นจิตใจก็ไม่ใช่ตัวเราอี มันก็รู้ว่ามันสายไปสายมาแต่มันไม่มันไม่รู้ว่าเป็นไปนิ่งยังไงครับคืออาจารย์สุรวัตรบอกว่ามันนิ่งเป็นแบ็กกราวด์อยู่ข้างหลังมันนิ่งเป็นแบ็กกราวด์นะแต่ว่าจิตมันก็ยังหนีไปคิดได้ผมก็เออหนีได้นะมันเคยชินที่กดเอาไว้อืมันกดไปด้วยด้ยความเคยชินอ่ะครับอ๋อสุรวัตรบอกเหมือนกันเลยครับเออเก่งเนาะสุรวัตรแต่ผมก็ไม่มีปัญญาจะไปดูตรงนั้นออกเองครับ ไม่เป็นไรนะรู้ไว้เฉยๆครับถ้าดูยังไม่ออกเราไปดิ้นรนจะดูให้ออกนะยิ่งเสียเลยยิ่งฟุ้งซ่านกว่าเก่าอีกเราก็ฟังเล่นๆไว้ว่าเอ๊ะตอนเนี้ยครูบาอาจารย์เนีบอกว่ามันมีความนิ่งผิดปกติเป็นแบ็คกราวด์อยู่เขารู้ไปไงั้นแล้วแล้วก็คอยรู้กายคอยรู้ใจไปกายเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นอย่างนั้นดูอย่างนี้เรื่อยๆไปอย่างตอนเนี้ยรู้สึกไ้มใจสว่างกว่าแต่กี้ ดูออกมันมันไ ม, น ม, นมน่ดูไม่ออกว่าสว่างแต่ดูมันรู้สึกแคล้ายคลายอะครับคลายออกมันไม่ได้ไปกดไว้อย่างแต่กี้นี้ตะกี้ไปกดไว้เป็นแบ็กกราวเลยโอ้โหนะครับแล้ <c oughs> ใจจริงๆนะจะต้องโปร่งโล่งเบานะผ่อนคลายถ้าใจนิ่งๆทื่อๆนะแสดงว่าแอบไปกดไว้อืมเนี่ยอย่างเนี้ยน้อมเข้าไปตรงเนี้ยรู้สึกไหมมันคล้ายๆมันน้อมใจให้รีบหีลงไป มันน้อมลงไปครับค่อยๆสังเกตเอาจะจำเอาไว้ครับจําไว้นะครับอาคุณนําเกิงวันนี้คุณครับเข้าฌานหรือยังไม่ถามว่ากินนมหรือยังนะถามวันนี้เข้าฌานหรือยังกําลังกําลังอยู่ในในฌานกําลังอยู่พล้วมาเช้านี้ออกไปทานอาหารหน่อยแต่ก็ออกไปนอกสมาธิหน่อยนะตอนนี้พอกลับเข้ามาปั๊บก็เข้าเลยเราแค่รู้นะไม่เอาไม่ได้เอาเป็นที่พึ่งอะไรครับ คือรู้ว่าปัจจัยมันสบายแล้วมันตั้งมั่นอยู่ตั้งมั่นให้รู้นะพอใจแล้ว ล, ลึกแอบพอใจตัวนี้ตัวปัญหาอยู่ตัวนี้เพราะฉะั้นเราจะเอาจิตส่งสมาธิเอาไว้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ถ้าเราพอใจเราต้องรู้ทันครับต้องรู้ตรงนี้นะครับรู้ตัวนี้ ร, รู้ ค, รความยินดียินร้ายนี่แหละตัวร้ายครับพอเรายินดียินร้ายเราไม่รู้ทันนะจิตจะเกิดเจตนาที่จะทําอะไรบางอย่าง เพื่อจะเอาให้ได้เพื่อจะผลักบางอย่างเพื่อจะดึงบางอย่างอะไรอย่างนี้พอจิตเกิดความจงใจลงมือปฏิบัติก็คือการสร้างภพนั่นเองครับอ่ะเบอร์สามเบอร์สามกราบรมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อเบอร์ยี่สิบสี่กลุ้มใจไหมให้เบอร์ยี่สก่อนเขากลุ่มมากกราบรมสการหลวงพ่อค่ะรับ คือว่าตอนนี้ค่ะตอนที่ดูจิตอะค่ะหลวงพ่อก็จะแบบว่ามันจะเป็นคําพูดอะค่ะแล้วบางทีก็เป็นคําพูดหลวงพ่อด้วยอะค่ะแบบว่าฟุ้งซ่านแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะห้ามไม่ได้เราไม่ได้ฝึกห้ามนะจิตมันจะพูดก็ให้มันพูดไปเราอย่าไปพูดแทนมันก็แล้วกันเช่นจิตบอกว่าเฮ้ยฟุ้งซ่านแล้วนะเราไปพูดแทนฟุ้งซ่านนี้ไม่ดีเลยนะทํำยังไงนะเราจะหายฟุ้งซ่านได้ไอ้เรื่องนี้มีปัญหาคือเราไปคิดแทนมัน ถ้จิตพูดเองไม่เป็นไรอย่าไปพูดกับมันอย่าไปช่วยมันพูดแล้วเหมือนเสียงหลวงพ่อแหละค่ะบางคนช่วยไม่ได้ <laughs> บางคนมีภาพประกอบด้วย <c oughs> <c oughs> มีนะบางคนเขียนจดหมายมาเล่าไม่เคยเจอหลวงพ่อหรอกฟังแต่ซีดีสงสัยว่าการภาวนาเนี่ยทํำยังไงนะจะถูกเห็นหลวงพ่อเดินไปนะแล้วก็ไปยกมือซ้ายต้องมือซ้ายด้วยทําไมต้องมือซ้ายก็ไม่รู้แล้วก็ชูหนึ่งนิ้วเนี่โออเข้าใจแล้วเข้าใจละ เข้าใจไหมการภาวนาไม่มีอะไรหรอกนะอยู่กับความเป็นหนึ่งคือความเป็นกลางนั่นเองไม่ได้ต้องไปหลงยินดีอะไรยินร้ายอะไรไม่ต้องทำดึงอะไรเข้ามาไม่ต้องผลักอะไรออกไปรู้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่เขาเป็นอยู่หนึ่งขณะจิตต่อหน้านี้เองรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆเนื้หลักของการปฏิบัติจริงๆก็มีแค่นี้เอง แล้วก <Même. S 2> ็อย่างความรู้สึกตัวคะ่ะหลวงพ่อคือเรารู้สึกตัวทั่วทั้งตัวหรือว่ารู้สึกใช่คําว่ารู้สึกตัวทั่วพร้อมไม่ได้แปลว่ารู้สึกร่างกายทั้งร่างกายนะรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยแปลว่าไม่เผลอไม่เพ่งถ้าเมื่อไหร่ไม่เผลอเมื่อไร่ไม่เพ่งเมื่อนั้นรู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้วทั่วพร้อม heeft. หมายถึงว่า<ม>อะไรเกิดขึ้นทางตาก็พร้อมที่จะรู้ได้อะไรเกิดขึ้นทางหูก็พร้อมจะรู้ได้ไม่ใช่ไปเตรียมพร้อมรู้เพ่งอยู่ทั้งกาย บางคนคิดว่ารู้สึกตัวทั่วพร้อมนะ้งคำเนี้ยอย่างนี้รู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้วจะกระดิกจะอะไรรู้หมดเลยไอ้อย่างนี้ไม่ใช่นะนี่ไปเพ่งร่างกายทั้งร่างกายใช้ไม่ได้คือเรารู้สึกตัวว่าเราคิดไปแล้วหรืออะไรงใช่เผลอคิดไปอ่าอนะรู้ว่าเผลอไปแล้วรู้สึกอย่างนั้นแหล ะ, ละที่ปฏิบัติมาพอจะใช้ <จน S 1> ได้สิดีขึ้นตั้งเยอะแล้ว อ, อ่าเบอร์สามเบอรสามนี้ไม่ค่อยกลัวไม่เป็นไร จะรู้สึกตื่นเต้นแต่ก็ไม่ได้กดไว้เจ้าค่ะก็ดูความตื่นเต้นไปเรื่อยๆต้องอย่างนั้นหลวงพ่อถึงให้พูดทีหลังคนนิ่มกดเอากดเอาเดี๋ยวกดมากๆพีกวนพีการไปจะ็นโทษเราครั้งที่แล้วมาส่งกันบ้านหลวงพ่อบอกว่าเวลาเดินจงกรมเจ้าค่ะจะรู้สึกว่ายังเป็นเราอยู่หลวงพ่อบอกว่าก็เดินต่อไปไม่เป็นไรก็เห็นเป็นเราก็เห็นไปพอกลับไปปฏิบัติเนี่ยก็รู้สึกตัวได้มากขึ้นแล้วก็เราจะเผลอบ่อยเราจะรู้เผลอบ่อยมากขึ้นเจ้าค่ะ แล้วมีครั้งหนึงเนี่ยนอนอยู่แต่ยังไม่หลับนะเจ้าค่ะแล้วยินเสียงหมาข้างบ้านเห่าแล้วนี่ยใจเนี่ยอยากรู้ว่าเกิด อ, อะไรขึ้นก็เหมือนกับว่าจิตน่ยวิ่งไปดูเจ้าคะ่ะที่หน้าต่างแต่กายเนี่ยยังนอนอยู่ออตอนนั้นไม่รู้แต่มารู้ตอนที่ว่ามันไม่เห็นนะเจ้าค่ะ ه, <lit. S 1> คือจิตเนี่ยวิ่งไปแล้วแต่ว่าเราไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นก็เลยนึกขึ้นได้ว่าก็กายไม่อยู่ตามไม่ได้ไปเจ้าคะ่ะก็เลยไม่เห็นตอนนั้นก็เลยอ๋อเห็นแยกออกจากกันจริงนะจิตวิ่งไปเนี่ยเห็นได้ด้วยเห็นได้ด้วยจิต เวลาที่จิตมันวิ่งออกไปรู้ภายนอกนะตาก็เห็นนะหูก็ได้ยินจมูกก็ได้กลิ่นลิ้นก็ได้รสสัมผัสก็รู้นะไม่ใช่ว่ามีจิตดวงเดียวแล้วรับรู้อะไรไม่ได้หลวงพ่อเคยเป็นนะตื่นเต้นหวาดเสียวตอนนั้นพ่อของหลวงพ่อตายเตี่ยตายพ่อแท้ๆตา ย, ตา ย, ตายแล้วก็พอทาบุญร้อยวันอะไรเงี้ยเขาก็เอาลงออกมาเก็บไว้วัานระครัง ซัปเปเลอร์เขาบอกเนี่ยฝนมันรั่วลงไปน้ําขังอยู่ในโรงเลยนะแล้วก็น้ําเยอะแยะเลยจ้องแจ้งจ้องแจงอย่างเงี้ยแต่ว่าใจเราเนี่ยอยากดูเขาไม่ให้ดูเขาบอกมันดูน่ากลัวเขาศพไปแช่น้ําอยู่อะไรอย่างเงี้ยพอพอเขาไม่ให้เราดูเนี่ยนะเราก็ไม่ได้อยากดูนะแต่จิตมันอยากดูกลับบ้านตกค่ํานะนั่งสมาธิอะไรเรียบร้อยใจเราก็ดูของเราปกติอง มีสติต่อเนื่องไม่ไม่ได้เป็นอะไรขึ้นมาแต่พอเอนตัวลงนอนปุ๊บนะจิตมันออกจากร่างกายเลยวิ่งพรวดไปวัดละคังเลยไอนะเรานี่หวาดเสียวแทบตายเฮ้ยมันจะวิ่งไปดูศพนะมันรู้นะว่ามันจะวิ่งไปดูเบรกใหญ่รีบหายใจแรงๆนะวิ่งไปได้ครึ่งทางเบรร็กกลับมาอยู่ที่ร่างกายไดนะ้พอกลับมายังไม่ทันจะหายเหนื่อยนะพุ่งพรวดออกไปอีกแล้ว คราวนี้ไปเบรกได้ตรงถึงหน้าโกดังเก็บศพครั้งที่สองเนี่ยอุ้ยมันใส่กุญแจเยวไว้ด้วยเห็นเห็นนะตามมองเห็นเลยรีบหายใจกระดิกดกลับมาที่ร่างกายนี้นะไม่อยากดูเราไม่อยากดูนะแต่จิตอยากดพูพอกลับมาปุ๊บนะรู้สึกสบายใจบู๊บเดียนะดนั้นพุ่งใไ่คราวนี้ยทะลุเข้าไปในโกดังเลยสํารวจโรงศพนี่โรงนี้ชื่อนี้ชื่อนี้ไล่ไล่โอ้เจอแล้ว เจอโลหูเตี่ยนะจิตมันพุ่งเข้าไปอยู่ข้างในเลยโอ้โหเหมือนกับว่าแต่ก่อนเคยได้ยินเรื่องผีสิงคนใช่ไหมเนี่ยคนสิงผีนะโ <Okay. S 1> <laughs> อ้โหมันเหม็นนะเหม็นอะไรก็ไม่เหม็นเหมือนศพคนนะเหม็นสุดๆเลยเหม็นจนขมในคอเลยนะทั้งจมูกทั้งคอนี่ขมไปหมดเลยนะแมมมันพิจารณาศพพออกพอใจมาแล้วมันก็สบายใจกลับมานะเราแทบตายเลยนะ กลิ่นนี้ติดจมูกขึ้นมาตอนลุกขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่จิตออกไปรู้ไปเห็นเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ได้เอาตาไปด้วยแล้วไม่เห็นนะจิตดวงเดียวนี่แหละไปสร้างขันห้าได้ทั้งขันห้าเพราะฉะนั้นเวลาที่เราตายเราทิ้งร่างกายนี้ลงไปมีแต่จิตดวงเดียวเกิดปฏิสนธิขึ้นมาเกิดจิตดวงใหม่ขึ้นมาในภพใหม่มันสร้างขันห้าขึ้นมาเรียบร้อยเลยเพรา ะ, ะนั้นจิตดวงเดียวเหมือนมเมล็ดพันธุ์ของพืช มเมล็ดนี้ไปตกลงไปก็งอกเป็นต้นไม้ใหญ่ขึ้นมาได้อีกองั้นแสดงว่าที่ลูกดูนี่คือไม่ถูกต้องใช่ไหมเจ้าคะถูกแล้วอย่าไปดูมันแต่ตอนนั้นไม่ได้ตั้งใจเจ้าคะมันเกิดขึ้นเองมันเกิดขึ้นเองก็แค่ตามรู้ตามเห็นแต่คุณบอกว่าจิตมันออกไปอันเดียวไม่ไดเอาร่างกายไปก็เลยไม่เห็นไม่ใช่หรอกนั้นจิตมันยังไม่มีคุณภาพในการเห็นแต่ก็ดีแล้วถ้าเห็นแล้วเดี๋ยวมันน่ากลัวอย่างที่หลวงพ่อเล่าใช่ไหมนั่นอย่าไปเล่นนะ ใช่ได้หนึ่งชแล้วที่ปฏิบัติอยู่นี่ดีไหมเจ้าค่ะดีนะฝึกได้ดีเลยขอบพคุณเจ้าค่ะหัดไปเรื่อยๆคนนี้รับความทุกข์แล้วว่าไปช่วงหลังบางทีหนูมีความสุขอยู่ดีๆอะค่ะมันมันสุขจากข้างในแล้วอยู่ดีๆมันก็ดิ้นดิ้นหาแบบดิ้นจะหาจะเอาอะไรที่มันมันหาไม่ได้อะค่ะมันมันอยากได้แต่ไม่รู้ว่าอยากอะไรนะมันดิ้นรลนค้นคว้าไปเรื่อย ที่จริงมันจะดิ้นรนหาทางออกจากความทุกข์นะแต่เราไม่รู้หรอกมันก็ดิ้นของมันอย่างไัแหละก็รู้ไปเห็นมันดิ้นได้เองไม่ใช่เราดินด้นอย่าไปช่วยมันดิน้นหลวงพ่อคะเวลาที่มันดิ้นรนจะหาจะเอาอะไรอย่างเงี้ยมันคล้ายๆกับขอภัยนะคะคล้ายๆกับสัตว์ใช้เดือนหรืออะไรตัวเล็กๆแล้วเอาขี้เท่าร้อนๆไปโปรยใส่มาอย่างเงี้ยค่ะมันหนูไปอินกับมันหรือเปล่านะคะบางทีมันก็ถูก เอินมากไปนะ้าดูเหมือนเราดูคนอื่นไม่ใช่ดูว่ามันคือตัวเราแล้วเราไม่อยากให้เป็นอย่างนี้เราเลยทุกข์ถ้าเราดูกายนี้เหมือนกายคนอื่นดูจิตเหมือนจิตคนอื่นเราจะไม่ทุกข์ไปกับมันหรอกอ่ะมีไหมย่ากลับกลับเรียนคำถามนึ่งคะ ว, ว่าเออเ ว, เวลาที่ดูเนะี่ยมันบางทีมันเหมือนกับเราต้องชำระเลืองนิดๆเราตั้งใจอยู่นิดๆอยู่หรือเปล่าคะหัดใหม่ๆก็ต้องชำระืองบ้างนะชำระืองชระืองแต่อย่าจ้องใส จ้องแล้วถลําลงไปเกาะแต่ว่าพอชํานาญขึ้นเราไม่ต้องชำเลืองมันเป็นเองเอาเบอร์ห้าสิกลายเป็นศุญญตาไปละเบอร์ห้าสปดเอาเบอร์สามสิอืมก <c oughs> <c oughs> ็มันเด็กหัดใหม่ที่ว่าจะไม่เคร่งเครียดแบบค่อยๆดูค่อยๆแอบมองรู้บ้างไม่รู้บ้าง <c oughs> แต่ก็ยังหลงอยู่มากต้องหลงนะต้องหลง ถ้าไม่หลงเลยต้องรีบมาปรึกษานะต้องเพียนแล้วละ่ะแ <c oughs> สดงว่าไปนั่งจ้องไว้ <c oughs> ถ้านั่งจ้องนะาทำผิดจิตใจเคร่งเครียดขึ้นมาแล้วก็ <c oughs> พออยู่อยู่ตอนหน้าหลวงพ่อแล้วรู้สึกมันก็จะอยากอยากให้ดีอ่ะก็ชั่งเกรงใหญ่เลยใช่ใช่ไม่เอาไม่เอาดีนะ <c oughs> อยู่กับหลวงพ่อนะไม่จำเป็นต้องดีหรอกหลวงพ่อไม่ไม่ไม่ได้กหนดว่าต้องดีบอกอย่างเดียวว่าห้ามชั่วหมายถึงอย่าผิดศีลห้าพอละ ส่วนจิตใจของเราจะสุขจะทุกข์จะดีจะร้ายเรามีหน้าที่ตามรู้ไปเรื่อยๆ <c oughs> ดูจนเห็นว่าเขาทำงานของเขาเองไม่ใช่เราหรอกเร <c oughs> นะื่อการภาวนานเราต้องรู้ว่าเป้าหมายแรกของเราคืออะไรเป้าหมายถัดไปคืออะไรเป้าหมายแรกต้องละสักยัติทิฏฐิให้ได้คือละความเห็นผิดว่ากายนี้ใจนี้คือตัวเราหรือมีตัวเราอยู่ในกายในใจนี้มีตัวเรานอกเหนือจากกายจากใจนี้จะต้องละความเห็นผิดว่ามีตัวเรา แล้วเราคอยรู้ลงไปที่กายดูซิมันเป็นเราหรือไม่ใช่ดูลงไปที่จิตใจที่เขาทำงานของเขาได้เองดูซิมันทางานเองนะมันไม่ใช่เราดูไปอย่างนี้เรื่อยๆมุมมองนี่ให้ถูกนะไม่ใช่ไปดูมุมมองผิดเช่นว่าทำยังไงจิตเราจะสงบจิตเราจะดีถาวรสุขถาวรสงบถาวรอันนั้นมุ่งไปเอาดีเอาสุขเอาสงบนี่เรียกว่าตั้งเป้าหมายผิดเป้าหมายต้องถูกคือดูเพื่อให้เห็นว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราหรอก ถ้าได้ตรงนี้มีเป้าหมายถูกการเดินมันก็เดินง่ายไม่ออกนอกลู้นอกทางไม่ใช่ไปหลงว่าเออทำไมวันนี้ใจฟุ้งซ่านอยี๋ยเลยทํำยังไงมันจะสงบนะเนี่ยอันนี้ออกนอกลู้นอกทางเป้าหมายถูกเหรอจิตฟุ้งซ่านเห็นไหมจิตไม่ใช่เราหรอกมันฟุ้งซ่านของมันเองเราบังคับมันไม่ได้ดูอย่างนี้นะไม่เดือดร้อนเลยจับเป้าให้แม่นแม่นนะอย่างเราจะทําอะไรเราต้องรู้เราจะทําอะไรจะทําเพื่ออะไรอะต้องแม่น ถ้าเราไม่รู้เป้าหมายเราก็ทำสเปสสปะตามยะถากรรมไปเรื่อยๆใช้เวลานานลองผิดลองถูกมันต้องหลงต้องฟุ้งซานอยู่เรื่อยแลเจ้าค่ะประคองด้วยประคองเอาไว้ดูออกไหมรักษามันหลงไม่เป็นไรฟุ้งซ่านไม่เป็นไรกลัวจะหลงกลัวจะฟุง้งซ่านแล้วรักษาไว้อันนี้มีปัญหาจิตมันหลงจิตมันฟุง้งซ่านเรื่องของจิต เรากลัวจิตจะหลงกลัวจิตจะฟุ้งซ่านเราพยายามแทรกแซงนี่คือการสร้างภพขึ้นมานะรู้ไปนะใช้ไปรู้สึกไหมใจเป็นยังไงดูออกไหมใจขณะนี้เป็นยังไงโล่โลงลหรอไม่โล่งจริงนะยังกดอยู่นะรู้สึกไหมมีตัวหนึ่งนิ่งนิ่งนิ่งอยู่หน่อยหนึ่งไหมให้สังเกตไป นมั ก, การหลวงพ่อค่ะก็วันนี้อย่างกับที่ผ่านมาตั้งอต่ช้าเบาวกว่าวันก่อนๆที่มันเกร็งอยู่ค่ะใช่ถูกต้องแล้วที่หลวงพ่อว่าบัดเช้าที่หลวงพ่อพูดถึงเรื่องการหาครูบาอาจารย์แล้วก็เลือกครูบาอาจารย์องค์ไหนที่เป็นพี่เลี้ยงแล้วก็เป็นพ่อของเราโดยตรงก็เลยมาเห็นตัวเองว่าโอ้เรานี่เหมือนกับว่าเที่ยวสแสวงหา พอครูบาอาจารย์นี่เหมือนใจนี่มันลวนเลไปหมดเลยก็เพิ่งมาเห็นตัวเองว่าเออเราน่าจะปักหลักแล้วรู้ว่าทางเลือกของเราคืออะไรเพิ่งรู้ตัวเองคือตัวสำคัญคือเราต้องหัดรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันน ะ, ะถ้าเราไปเรียนธรรมะแล้วครูบาอาจารย์ชี้ให้เราตรงนี้แล้วหน้าที่ของเราคือดูให้เยอะๆดูไปเรื่อยๆไม่ใช่เที่ยวหาอาจารย์ไปเรื่อย หลวงพ่อตอนหัดภาวนานะไปเรียนจากหลวงปู่ดูลเนี่ยท่านให้ดูจิตเนี่ยตั้งแต่นั้นดูตลอดเสร็จแล้วไปหาครูบาอาจารย์อื่นเนี่ยไปเพื่อความร่าเริงใจบางทีไปสนทนากับท่านบ้างอะไรบ้างนะแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนการปฏิบัติที่เราทําอยู่คือถ้าเราจับจดเดี๋ยววันนี้ทําอย่างนี้วันนี้ทําอย่างนี้มันจะไม่ได้ผลจริงหรอกมันจะไม่สามารถเห็นว่ากายกระใจไม่ใช่ตัวเรา มันจะรู้สึกแล้ดิ้นรนไปเรื่อยแล้วดิ้นรนเท่าไหร่ก็ไม่เจอหรอก <Yeah. S 1> จริงๆแล้วเราจะมีความรู้สึกอย่างนี้นะว่าถ้าเราฟังธรรมของท่านองค์นี้แล้วปฏิบัติตามแล้วเราได้เป็นพระโสดาบันเนี่ยเราจะรู้สึกว่าท่านเป็นพ่อเป็นแม่เรานะครูบาอาจารย์องค์อื่นที่สอนให้เราได้เป็นพระสะกิทาคาพระนาคาเป็นพระอรหันเนี่ยเราจะมีความรู้สึกเหมือนกับท่านเป็นพี่เลี้ยงเป็นพี่นะไม่ใช่พ่อแม่ งั้นความรู้สึกซาบซึ้งถึงอกถึงใจเนี่ยจะไปทุ่มเทให้ครูบาอาจารย์องค์ที่สอนให้เราได้พระโสดาบันเหมือนอย่างพระสารีบุตรพระสารีบุตรเป็นพระโสดาบันตั้งแต่ยังไม่ได้บวชได้ฟังธรรมของพระอาสชิพระสารีบุตรเนี่ยก็อยู่กับพระพุทธเจ้าบ่อยๆแต่เวลานอนเนี่ยจะหันศีรษะไปทางพระอาสเชิท่านไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเทศโปรดทีคณะเรื่องเวทนา ท่านั่งพัดให้พระพุทธเจ้านะถ้าท่านฟังแล้วท่านก็ดูเมตนาตามไปท่านบรรลุพระอรหันต์แต่ขณะท่านบรรลุพระอรหันต์เพราะฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยเวลานอนเนี่ยท่านหันศีรษะไปหาพระอัศเชิความรู้สึกของท่านเนี่ยก็คือพระอัศเชีเป็นพ่อท่านพระพุทธเจ้านี่เป็นพี่เลี้ยงท่านแต่พระพุทธเจ้าที่เป็นพี่เลี้ยงท่านเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าโดยพระกายของท่านส่วนพระพุทธเจ้าองค์แท้ๆคือพระธรรมนี่แหละ เป็นพ่อเป็นแม่ที่แท้จริงของผู้ปฏิบัติทุกคนงั้นพระพุทธเจ้ามีหลายชนิดนะพระพุทธเจ้าโดยพระกายโดยร่างกายของท่านอะไรเงี้ยอันนี้มีความแตกดับเสื่อมสลายไปพระพุทธเจ้าที่เป็นตัวคุณธรรมนะั้นไม่ได้เสื่อมสลายไปแล้วดูตัวเวลาเวลาอย่างเวลาเรายกมือหรืออะไรเงี้นะคะกำไปกำมาหรือเวลาเราเดินเวลาเวทนาเกิดขึ้นงคะ่ะ แล้วมันจะมีตัวที่อยากเลิกก็ดูตัวอยากเลิกแล้วก็บางทีถ้านึกว่าเราจะนึกอยากดื่มน้ำอยางนี้นะคะมันนึกขึ้นมาเองเนี้ยมันก็จะพุ่งพวดไปที่จุดนั้นเลยจนลืมเนื้อลืมตัวเลยเงี้ยค่ะมันจะพุ่งไปที่จุดนั้นเลยเนี้ยก็พยายามดูตัวนี้พยายามให้มันรู้กายรู้ใจปัจจุบันยอะไรยงเงี้ยค่ะก็เรารู้นะแล้วก็ ตันหาครอบงําใจไม่ได้แต่เราจะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือไม่เนี่ยไม่ใช่เพราะตันหาแต่เพราะมีเหตุผลสม ค, สมควรทําส p p o s เราหิวน้ำใช่ไหมใจมันอยากกินน้ํำเรารู้ทันความอยากดับไปเราก็เดินไปดื่มน้ําไม่ใช่ว่าต้องอดอะไรสมควรทําเราก็ทําหรืออย่างทีอยากมาฟังทำรู้ว่าอยากความอยากดับไปสมควรมาฟังก็ามาเราทําด้วยเหตุด้วยผลไม่ได้ทําเพราะว่าอยากหรือไม่อยากหรอก คนทั่วๆไปคิดว่าแรงผลักแรงขับโมดิฟเนี่ยมีแต่เรื่องของกิเลสกลัวว่าถ้าปราศจากกิเลสแล้วจะเฉยนะเพราะไม่มีแรงขับไม่ใช่แรงขับฝ่ายกุศลก็มีอย่างความการุณานะเป็นแรงขับฝ่ายกุศลที่ยิ่งใหญ่เนีย่ยพระพุทธเจ้าเป็นพระอราหันต์ละอาศัยความการุณานะออกมาลำบากอีก45่สิบ้าปีทั้งๆ ท, ที่ท่านควรจะสบายเพราะท่านอยู่องค์เดียวนะมีโมทิฟฝ่ายดีคือความการุณาผลักดัน เพราะนเราภาวนาก็ไม่ใช่ว่าพอหมดความอยากแล้วเราจะเฉยไม่เฉยเลยนะจะขยนขันขันแข็งเพราะขี้เกียจมันเป็นกิเลสเราก็ไม่ได้ทําอะไรเพราะว่าอยากแต่ทําเพราะว่ามันสมควรทํำแต่อันนี้ก็อย่างรู้ได้บ้างไม่ได้บ้างบางทีก็ทําตามมันนะครัเป็นธรรมดาปากติ <c oughs> <c oughs> เราอย่าไปปฏิเสธความจริงของเราเองนะความจริงของเราเองก็คือรู้บ้างเผลอบ้างรู้บ้างเผลอบ้าง นั่นเป็นธรรมดาถ้าอยากรู้ตลอดเราก็จะทุกข์เมื่อเช้านี้โยมรู้สึกมีความสุขดีค่ะแล้วโยอมก็หันไปดูมันความดุความสุขมันดับปุ๊บไปเลยค่ะเแล้วยอมก็ฮะ<า>เสียดายไหมไม่เสียดายค่ะแล้วยมก็งงๆดูมันเอ๊ะมันพลุงพลังอ น, นะัไอ้ความสุขอันนี้มันพลุงพลังแล้วมันมีความสงบก็ดูความสงบอันนั้นพอไปทานข้าวเสร็จมานี่นะคะ มันจิตมันไม่ตั้งมั่นมันลอยขึ้นมาแล้วก็เซอ่อเซแล้วก็ซื้อบืออ้อที่แล้วก็มันก็มีการว่าลงไปในที่ว่างก่อนอที่จะไปฐานข่าวยมก็เห็นมันลงไปในที่ว่างที่หลวงพ่อกําลังเทศอยู่เลยค่ะที่ว่างเลยเออโยมลงไปจริงๆนะอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้ก็รู้ลอยๆอย่างนั้นนะคะ ร, รู้ว่าลอยๆค่ะก็รู้ไปว่าลอยลอยน ะ, ะตัวนี้ไม่ใช่รู้แท้ค่ะใช่ ใจใจเรายังไม่ตั้งมั่นค่ะถ้ารู้แท้ๆใจมันจะตั้งมั่นนะมันมีสัมมาสมาธิตั้งมั่นค่ะตอนนี้มันไม่ตั้งมั่นเลยไม่ตั้งรู้วไม่ตั้งค่ะคือสภาวะธรรมใดๆเกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่ปัญหาพอสภาวะธรรมใดๆเกิดขึ้นแล้วให้เรารู้เท่าทันจิตของเราหลวงพ่อก็เคยพลาดนะไปหัดจากหลวงปู่ดูลช่วงแรกสามเดือนเนี่ยมัวแต่ดูสภาวะไม่ได้ดูจิตตัวเองแล้วนึกว่าดูจิต อย่างเราเห็นกิเลสโผล่ขึ้นมาเราตามดูมันจะมุดมุดมุดหนีไปหายไปอะไรอย่างนี้วก็นึกว่าเราดูจิตความจริงเราส่งจิตไปดูเราไม่ได้ดูจิตหรอกเะฉะนั้นถ้าเราหัดดูจิตเนี่ยเราจะเห็นเลยพอมีสภาวะธรรมเกิดขึ้นพอจิตไปรู้แล้วเนี่ยจิตยินดียินร้ายขึ้นมาให้เรารู้ทันเรารู้ทันความยินดี ย, ยินร้ายแล้วจิตก็จะไม่ปรุงแต่งต่อถ้าเรารู้ไม่ทันความยินดี ย, ยินร้ายจิตก็จะปรุงแต่งต่อเรียกว่าเราไม่ได้ดูจิตตัวเอง เราโมาแต่ดูตัวสภาวะอื่นๆซึ่งมายั่วให้จิตยินดียินร้ายเท่านั้นเองดังนั้นดูเข้าดูให้ถึงจิตถึงใจนะราบนอกส ก, การครบท่านวันนี้โยมก็แบบมันมันดูมันมันมั น, ม น, มนคล้ายๆมันมีความรู้สึกตัวทันและเร็วขึ้นเร็วขึ้นเวลาฟังเพื่อนๆ เ, เวลาบางที เขาพูดสนทนาอะไรกันก็ใจก็ยังอยู่นะแต่เห็นเข า, าเอ๊ะเขาฟุ้งอะไรกันนี้ก็มันก็ดูปแปลกขบวนก็เลยยมเขามถึงไงนะไปเห็นจิตเขา้าไปเห็ น, ห ไ, ปหนไปเห็นลักษณะอาการเขา้ามาแต่จิตมันก็ยังดูตัวเองอยู่ว่าเอ๊ะเราจะฟุ้งตามเขาไปไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดูไปเรื่อยๆดีอย่าสนใจจิตคนอื่นนะ ถ้าเราสนใจจิตคนเดียวเราจะไปรู้เร็วขึ้นเร็วขึ้นหรือไม่ไม่ได้ไปอินกับเขาอะก็ฟังเข้าไปก็ดูใจของของโยมจิตขณะนี้เป็นยังไงสึกมันยังนิดๆฮะเก่งๆนิดๆน่าถูกต้องเพราะว่าพอเริ่มไหม่มามันก็เริ่มใจมันติบเตบกระดูไปก็ปล่อยไปครับเมื่อใหม่ดูไปเรื่อยๆบังคับไม่ได้ครับดูไปเนี่ยเราบังคับไม่ได้หรอกไม่ใช่ตัวเราครับดูไปเรื่อยๆอะไรๆก็ดูลงไปนะไม่มีเรา พอดูซ้ําแล้วซ้ําอีกนะวันหนึ่งป็นล้างสกัยยทิฐิไปถ้าคุณบรรเจิดครับกลับนักสการครับก็ออกสัปปาทุกวันนะครับรับได้บ้างมากบ้างน้อยบ้างนะตามแต่เหตุของเขาครับภาวนาดีแล้วนะครับคุณบรรเจิดภาวนาได้ดีแล้วดูไปเรื่อยๆครับผมสงสัยอยากจะขอความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพุทธเกษตรครับว่าในตัวของบุคคลธรรมดาทั่วๆไปเนี่ย มีพุทธกเกษตรไหมครับคือมีพุทธคือมีจิตธรรมชาติของจิตมันเป็นพุทธะอยู่โดยตัวของมันเองอยู่แล้วส่วนพุทธกเกษตรเนี่ยจะพูดไปก็คือตัวมหาสุ ญ, ญาตาตัวนิพพานอะไรเนี้ยนะั้นครอบโลกครอบจั ก, กรวาลอยู่แล้วนั้นพุทธกเกษตรของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์แต่ละพระองค์เนี่เสมอกันหมดเลยนะคือราบเรียบเสมอกันว่าอย่าไปเรียนอย่างนั้นเลยนะเอาไว้เห็นเองเนาะไม่คือว่า ผมชอบอที่ท่านอาจารย์สอนในซ d ดีแผ่นที่ิบก้าฮนะว่าคนธรรมดาทั่วไปนะเดี๋ยวก็ไปสะดุดไอ้นู่เนเดี๋ยวไปสะดุดไอนะ้นี่นี่ยะครับผ ม, มผมชอบเนะวันนั้นไปดีมหายานมามมต้องคุยเรื่องพุทธเกษตรน ะ, ะต้มคุณบันเจอภาวนาดีนะภาวนาดีแนละ้ว รู้สึกจิตเป็นธรรมดาได้มากขึ้นครับแล้วก็ขนาดนี้ธรรมดาไหมไม่ครับเริ่มเริ่มเริ่มอัพขึ้นมาดิด่งครับตั้งภาวนาดีขึ้นช่วงนี้เมื่อวานช่วงที่หนึ่งผ่านมามีควาสึกว่าเราวาการภาวนาเพื่อเอาความรู้ลงได้กลับไปเห็นข้ขขอเท็จจริงของจิตมากขึ้นแต่ไปติดสุขกการที่ได้เห็นอก็เลยชะลอการภาวนาลงไม่ไม่ไม่ต่างทำไมล่ะกลัวจะไปติดสุขตรงนั้นนะครับไม่ติดหรอ มันติดถ้าไม่รู้ถ้ารู้ไม่ติดงั้นก็ตามดูได้เรื่อยๆต่อไปออถูกกิเลสหลอกให้เลิกพาวนา <c oughs> พาวนาได้แล้วผ่าไปเลิอกอีกโอ้เหนียวบ่มเลย <c oughs> คือภาวะใดๆที่เราพาวนาแล้วเราจะติดหรือไม่ติดเนี่ยอยู่ที่ว่าเรารู้ทันหรือไม่รู้ทันถ้าภาวะใดเกิดขึ้นแล้วเราพอใจเรารู้ว่าพอใจไม่ติดหรอกถึงมันจะมีอยู่ก็ไม่ติดมันจะอยู่สามวันสามคืนก็ไม่ติด คืนหมให้เขาหน่อยเขาอยากได้แต่เขาไม่เห็นว่าอยากอะดูไม่ทันครับมันมีควารู้สึกว่ามันสุขมากๆผิดปกติของการได้เห็นได้รู้ไม่<อ>ไม่ผิดปกติสุขอย่างนี้แหละปกติแลรายิ่งเห็นยิ่งรู้ว่าอง น, นี้หลงตลอดตลอดทุกนาทีทุกวินาทีเอย น, <อ>นั่นแหละภาวนาดีดูดูเป็นเลิกซะกิเลนมันหลอกเอามันไม่ติดหลอกถ้ารู้ทัน แต่ถ้ายินดีแล้วไม่รู้ว่ายินดีติดถ้ายินร้ายไม่รู้ว่ายินร้ายนะติดเชิญก็มันมีสุกโชยขึ้นมาค่ะแล้วก็ข้างในก็บอกว่าไม่เที่ยงอพออีกแป๊บหนึง่งมันก็สุก ข, ขึ้นมาอีกแล้วข้างในก็บอกว่าไม่เที่ยงอ้อะะดีนะให้มันบอกไปงั้นเลยดีแล้วแล้วก็คุณแม่ไม่สบายอะคะ่ะแต่ว่ามันมันทุกแบบมันไม่ได้ร้อนนะคะมันทุกแบบ อุ่นๆอะไอย่างเงี้ยยังดีนะกิเลสมันลดลงและมันแค่อุ่นๆค่ะแล้วครั้งหนึ่งก้าออกมาจากลิฟต์มันรู้สึกว่าทุกข์แต่ว่ามันเหมือนมันมีอะไรรองรับอยู่ัวค่ะแล้วก็มันรู้สึกว่าทุกข์แต่ว่ามันไม่ถึงใจอะไรงไม่ถึงใจเห็นไหมความทุกข์มันเข้ามาไม่ถึงใจน่าภาวนาแล้วเห็นไหมมันไปอยู่นอกๆร่างกายจิตใจเนี่ยเป็นตัวทุกข์นะพวกนี้ไปอยู่นอกๆหมดเลยดีภาวนาใช้ได้ละ ภ า, านามานานเท่าไหรเรียนกับหลวงพ่อนานแค่ไหนเริ่มฟังซีดีตั้งแต่พฤศจิกาเดือนที่แล้วอะค่ะแล้วก็มาวัดเดือนกุมภาพันธ์ค่ะเรียนได้เร็วนะเรียนไปเรื่อยๆในที่สุดวันนึงเนี่ยจิตเราจะไม่ไปเกาะอะไรเลยมีความสุขนี่เริ่มได้ริมรสชาติความสุขเล็กๆน้อยๆแล้วนะรู้สึกไหมพอมันไปอยู่นอกๆนะมีความสุขถ้ามันทิ้งหมดเลยแล้วไม่ไปหยิบมาอีกมันจะสุขแค่ไหนนี่โฆษณาชวนเชื่อนะ แต่ว่าก็คือมันต้องเป็นใบของมันเองนเนใน่ไม่ไม่ได้ทำด้วยกิเลสถ้าทำด้วยกิเลสนั้นจิตเศร้าหมองไปเลยนะไม่มีความสุขหรอกหลวงพ่อค่ะรู้สึกว่าคือไม่ได้ทำอะไรเลยอะค่ะนั่นแหละดีแล้วสติปัฏฐานไม่ได้ให้ทำอะไรสติปัฏฐานมีแต่ให้รู้ร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตเคลื่อนไหวรู้สึกเราไปดูสติปัฏฐานสูตรนะมีกริยาอยู่คำเดียวคือคำว่ารู้ หายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้เห็นไหมยืนเดินนั่งนอนก็รู้เป็นสุขเป็นทุกข์เฉยๆก็รู้โลภโกรธหลงก็รู้อย่เนี่ยหลงไปคิดแล้วทราบไหมตอนที่หลงไปคิดเนี่ยแอบทําใจให้อ่อนๆนิดนึงด้วยด้วยความเคยชินจะทําให้มันนุ่มๆให้ดูน่าเอ็นดูอะไรเงี้ยมันแกล้งทําให้เรารู้ทันแล้วใจเราจะตื่นขึ้นมารู้สึกไหมใจเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาแล้วนี่แหละใจเราตื่นขึ้นมาแล้วนะ ดีภาวนาดีเรียนเร็วนะเรียนคุมพามาเรียนอิจฉาแม่จุทำเป็นดีใจกับเขานะอิจฉาทำเป็นว่ายินดีด้วยครับนมัสการหลวงพอ่อครับผมมากราบหลวงพอ่อครั้งนี้ครั้งที่สามครั้งที่แล้วมาหลวงพอ่อก็ยังบอกว่ายังมีหลงอยู่ยังอะไรนะคราที่แล้วมาหลวงพ่อบอกว่ายัง ยังมีหลงอยู่ครับก็ครั้งนี้มาก็ปฏิบัติทั้งในรูปแบบนอกรูปแบบครับดีจิตดีขึ้นแล้วนะรู้สึกตัวไหมครับดีแล้วดีแล้วรู้ว่าดีใช่ได้ดีแล้วครับเผลอไปแล้วนะเนาะเผลอไปช่วงหนึ่งแนละ้วนมัสการคะ่ะก็ปกติเวลามาวัดรู้สึกมีความตั้งใจมาก มากอะค่ะแล้วก็พอไมค์มาก็จะตื่นเต้นก็ไม่ทราบต้องปรับปรุงอะไรไหมคะไม่ทําอยู่ตอนนี้ใช้ได้แล้วนะดีล้ขอบคุณค่ะอย่างตอนมาถือไมค์เนี่ยจิตมันผิดปกตินีแต่ตรงที่อยู่ภาวนาปกตินี่ใช้ได้แล้วช่วงนี้จะเห็นความฟุ้งซ่านบ่อยบ่อยขึ้นครับบ่อยแล้วก็แต่ว่าความยินดียินร้ายจะลดลงจนบางครั้งเหมือนจะเฉยๆครับเฉยก็รู้ว่าเฉยไปนะ แต่ถ้าเฉยแล้วก็ใจซึมซึมซื่อบื้อยังเงี้ยแสดงว่าไม่ใช่ของจริงก็ก็จะเห็นเหมือนซึมซึมแล้วบางครั้งจะเห็นเหมือนว่าจมจ ม, จมลงไปในออบ้าง <นะ S 1> อย่าให้มันอย่าให้มันเฉยด้วยวิธีนั้นนะคไอเฉยอย่างนั้นเฉยขี้เกียจเฉยแบบท้อแท้หดหู่ใจอะไรเงี้ยครับเรามีคำแนะนําเพิ่มเติมไหมครับก็ถ้ามันจะซึมแบบนั้นให้รู้ทันมันนะใจมันจะดีดออกมามันจะออกมาตื่นขึ้นอย่างแท้จริงข้างนอกเนี่ยมันจะไม่ลงไปซึมอยู่ข้างใน ของคุณดีขึ้นเยอะและ้วครับรู้ตัวไหมทราบครับเราก็หลายครั้งที่การรู้สมัยแรกๆจะรู้แบบกระตุกแต่ตอนหลังมันจะนิ่มๆลงอ่ะครับดีแล้วเนี่ยภาวนานะี่มันจะเห็นความเปลี่ยนแปลงซึ่งตนเองก็รู้สึกได้ด้วยตัวเองนะแล้วคนรอบข้างเขาก็จะรู้สึกด้วยครับมีไหมมีคนรอบข้างบอกว่าเราเปลี่ยนแปลงบ้างไหมไ ม, ไม่ค่อยครับเดี๋ยวไปเรื่อยๆนะไปเรื่อย บางคนน่เปลี่ยนอย่างรุนแรงเลยนักเรียนน่ากลัวมากเลยอาจารย์เมืองชนอยู่คนชอบตีเด็กพอมาหาดูจิตนะเลยเลิกตีเด็กยิ้มหวานยิ้มไปเรื่อยๆลูกศิษย์กลัวมากกว่าเก่าอีกเพราะอาจารย์ใจดีจนน่ากลัวมรดการพระอาจารย์ครับจริงๆมารายงานตัวกับเพื่อนอีกสองอีกคนหนึ่งเป็นมนุษย์ไฟฟ้ารุ่นที่หนึ่งครับ ม, มาเดือนตุลาที่แล้วครับก็ อก็กลับไปพยายามปฏิบัติทุกวันนะครับแต่ก็ต้องสารภาพกับพระอาจารย์ว่าบางวันเนี่ยจะขี้เกียจมากคือวันไหนขี้เกียจคือมันจะไม่ทําเลยแต่พอกลับมาอีกวันหนึ่งเนี่ยเหมือนกับมันไปสู่ตรงอีกทางหนึ่งครับมันจะอยากทํามากๆคือแบบคือคือเหมือนกับจิตนี่จะจะไม่ค่อยอยู่กับงานด้วยซ้ําบางวันคือแบบให้เรารู้ทันไปนะจิตมันมันเป็นไปเองรู้สึกไหมเราบังคับมันไม่ได้ แตถ้ามันขี้เกียจเราก็รู้ว่าขี้เกียจไปะมันอยากขยันไม่รู้เวล่ำเวลาเราก็รู้ไปว่ามันอยากแะรู้ทันไปเรื่อยเเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองบ้างยังผังนิดหน่อยมาหนึ่งเดือนนี่เห็นอะไรเปลี่ยนบ้างไหมรู้สึกไม่เผลอสั้นลงอนะครับเผลอสั้นลงรู้สึกไหมครับใจโปร่งโปร่งมากขึ้นเห็นไหมเบาขึ้นเริ่มเบาสบายรู้เนื้อรู้ตัวกิเลสเกิดบ่อยรู้สึกไหมครับ ครั้งก่อนพระอาจารย์บอกว่าประคองประคองมากไปก็เลยพยายามปล่อยมากขึ้นออครับดีแล้วนะมีความเปลี่ยนแปลงซึ่งตนเองก็รู้สึกได้เรียนกับหลวงพ่อนะถ้าไม่ดื้อนะอย่างมากเดือนสองเดือนก็มีอะไรเปลี่ยนแล้วถ้าทํามาตั้งหลายปีแล้วก็เหมือนเดิมซึมกระถืออยู่กันเนะใช้ไม่ได้หรอกแสดงว่าทําผิดธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะที่ไม่เนิ่นช้าจะต้องมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วให้เห็นได้ ถ้าหลายปีก็เหมือนเดิมทําให้ถูกหรอกอย่างถ้าเราทําถูกนะเราไม่เคยมีศีลเราก็จะมีศีลขึ้นมาใจของเราเคยฟุ้งซ่านตลอดเวลาก็จะลิ้มรสชาติของความสงบเป็นระยะระยะขึ้นมากิเลสเคยเกิดแล้วครอบงำจิตอย่างรุนแรงกิเลสก็ไหวแวบขึ้นมาก็ขาดไปแล้วกิเลสอ่อนกําลังลงเราเคยเผลอเป็นวันๆเผลอเป็นหลายๆชั่วโมงก็จะเผลอสั้นๆไหลแวบก็รู้สึกแวบก็รู้สึก สติสมาธิอะไรต่ออะไรนี่มันจะชัดเจนขึ้นเราเคยรู้สึกว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราอย่างแน่นอนพอเรารู้สึกตัวขึ้นมาเราก็เห็นฉับพลันในร่างกายไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นสิ่งที่จิตมาอาศัยอยู่เนี่ยเมื่อมีปัญญาเกิดขึ้นแล้วเราก็เห็นอีกความสุขความทุกข์กุศลอกุศลทั้งหลายเป็นของที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้ เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เฉยๆเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆมีแต่ความไม่เที่ยงมีแต่การบังคับไม่ได้นี่เป็นตัวปัญญานะนนการที่เราหัดฟังธรรมจนสติของเราเกิดเนี่ยมันจะมีทั้งหมดเลยศีล ส, สมาธิปัญญานจะค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆจนแก่รอบพอมันสมบูรณ์แก่รอบขึ้นมาครั้งหนึ่งนะอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นเราก็จะเปลี่ยนแปลงถึงรากถึงโคนทีหนึ่ง อย่างแต่เดิมเนี่ยเราจะรู้สึกตลอดเวลาว่าในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งพรออริยะมรรคครั้งแรกเกิดขึ้นแล้วเวลาเราดูเรงมาเนี่ยมันจะกลวงไปเลยไม่มีเราอีกต่อไปแล้วอย่างคนทั่วๆไปก็เห็นว่ามีเราแล้วเราคนนี้ก็เราตอนเด็กๆ ก, ก็ยังเป็นเราคนเดิมนะี่ถ้าเห็นอย่างนี้นะยังเป็นปุถุชนนะเป็นวิธีวัดที่ง่ายๆเลยหลายคนไปภาวนาแล้วบูบูบาบๆขาดสติไปแล้วก็คิดว่าเป็นพระอริยะ น, นะให้ลองมาสังเกตใจตัวเองดู มันรู้สึกว่ามีเราอยู่ไหมแต่มีบางคนนะไม่มีเราไม่มีเราเพราะว่าจิตมันไม่ยอมย้อนมาดูจิตมันหนีไปสบายๆเพลินๆ อ, อยู่ข้างนอกมีนะพระอริยะแบบนี้ก็มีเหมือนกันาริยะเถื่อนนะไม่ใช่ของจริงหรอกคือไม่เห็นว่ามีตัวเราเพราะว่าไม่ดูแต่ถ้าดูเข้ามาแล้วถ้าเป็นพระอริยะแท้ๆดูเข้ามามจะเห็นว่าไม่มีตัวเรานะวิธีทดสอบนะอย่าไปเชื่ออะไรง่ายๆ ดีแล้วพัฒนาแล้วมนุษย์ไฟฟ้าการน้ำพระสการพระอาจนี่ก็ไฟฟ้าหรือเปล่าใช่ค่ะก็รุ่นหนึ่งเหมือนกันค่ะ อ, อรู้สึกตอนนี้ดีกว่าเมื่อกี้เยอะเมื่อกี้ตื่นเต้นทางคิดว่าไม่นื่องจากมันจะแรงขนาดนี้เวลามันพื้นขึ้นมาอค่ะเห็นไหมมันพื้นขึ้นมาเราบังคับมันไม่ได้ใช่ค่ะน่นเราดูไปเพื่อให้เห็นว่าบังคับไม่ได้ค่ะจน อ, อมันคลายไปเองเ อ, อ แล้วก็คราวที่แล้วพระอาจารย์บอกว่าไม่มีต้องไม่มีห้ามอืก็นําไปอ่ไปพรหลังจากไปปฏิบัติแล้วเนี่ยก็อ่าบางทีบางสิ่งบางอย่างที่เคยกระทบเหตุการณ์ที่เคยกระทบอารมณ์แล้วมันมันขึ้นมาเร็วเนี่ยบางทีก็ก็อไม่ไม่ออกมาทางกายทางใจได้แต่บางทีมันหลุดออกไปเองค่ะแล้วก็อ่า บางทีเหมือนอยากจะอยากจะทดสอบตัวเองอย่างการทํางานที่อะไรที่กระทบเราแล้วทาให้เราปื้ดขึ้นก็เลยเข้าไปหามันโดยตรงมีความรู้สึกว่ามันง่ายขึ้นมีคำ ว, ว่าถุกวันความปื้ดของมันไม่รุนแรงเหมือนเหมือนช่วงก่อนๆที่ที่เราเป็นแต่อย่าไปจงใจมากนะอย่างถ้าเราจงใจแล้วเราไปกระทบเนี่ยบางทีไม่มีอะไรโผล่ขึ้นมาเพราะเราจงใจไปรอดูอยู่ถ้าเรารอดูจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันจะนิ่ง แต่ถ้ามันกระทบแบบไม่ได้จงใจเนี่ยแล้วมันจะปรากฏปฏิกิริยาดั้งเดิมแท้ๆของมันออกมานั่นน่าเชื่อถือแต่ถ้าจงใจไปกระทบเนี่ยจะไม่ใช่ของจริงเคยมีนาตอนอยู่เมืองการมีเศรษฐีคนหนึ่งมาหาแกบอกว่าแกเป็นสาสต์ดิชอบทำร้ายคนเวลาเข้าโรงงานนะั้นต้องดา่ดาๆๆๆลูกน้องไม่มีความผิดนะก็เจอหน้าใครก็หาตัวมาเรียกมาดาให้มันตัวสัน่นกลัว ลุกลี้ลุกลนนะแล้วสะใจะพอแกมหัดภาวนาแกก็รู้สึกว่าทําอย่างนี้ไม่ดีแก <c oughs> บอกว่านึง่งไปจ้างคนมาด่าแกบอกมันด่า <c oughs> ผมตั้งนานนะ <c oughs> ผมเฉยเลยใจผมนนิ่งเลยเนี่ยถ้าตอนนั้นหลวงพ่อย้อนไปบอกไอ้โง่นะต้องโกรธหลวงพ่อเขาไม่ได้จ้างให้หลวงพ่อด่านึกออกหมเพราะงั้นถ้าเราจงใจกระทบนะเพื่อจะมาดูปฏิกิริยาเนี่ยจะไม่ได้เห็นของจริงเพราะมันไปจ้องไว้ก่อน <c oughs> แต่ถ้าแบบไม่ทันตั้งหลักเนี่ย อยู่ๆคนมาด่าเนี่ยนะมันถึงจะโผล่ตัวจริงออกมาดงนั้นอย่าไปประคองอย่าไปดักไว้ดูนะดูเล่นๆแต่ที่ฝึกอยู่ใช้ได้แล้วจริงค่ะจริงอ้อยอ้อยดีนะอ้อยอ้อยกับพี่ชัยดีจิตฟุ้งอจิตแข็งจิตประคองเอ่าดียังไงก็ได้ค่ะเออนั่นเลงนั่นแหละดีแล้วจิตมีกิเลสอแล้วก็ปัจจุบันปรากฏอยู่ต่อหน้าไม่จําเป็นต้องแสวงหาเออค่ะ ภาวนาเก่งแล้วละเมื่อก่อนมันแสวงหาตลอดเลยค่ะอาจารย์หลวปูดด่โดนสอนนะจิตแสวงหาจิตเกิดจิตเกิดจิตถูกทำลายเนี่ยพอเราจิตแสวงหาจิตก็เกิดอะไรเกิดตัวตนเกิดพบเกิดชาติขึ้นมาเมื่อเกิดมีขึ้นมาแล้วมันก็ถูกทำลายไปเกิดแล้วก็ดับสลายไปดีต่อไปนี้การภาวนาง่ายแล้วอ้อย มันมีแต่ว่าอะไรก็ได้ไหลเข้ามาเป็นปัจจุบันแล้วเขาก็ไหลไปไม่เกี่ยวอะไรกับเราดีก็ได้ชั่วก็ได้สุขก็ได้ทุกข์ก็ได้เสมอกันหมดเลยน ะ, ะพี่ชัยสองธรรม น, นี้เห็นความเสื่อมของวงรอบมันนะหลังจากที่ไม่ได้เห็นมานานแล้วก็รู้สึกว่าเออจิตมันก็ยอมรับไม่ได้ว่าอะไรภาวนานดีนะพี่ชัยแต่รู้สึกว่าเหมือนบางคราวยังมีความยินดียินร้ายอยู่บาง แต่มองไม่ทันมา น, นึกได้ทีหลังเออไม่เป็นไรรู้เท่าที่รู้ได้ดีแล้วสองคนภาวนาเรียนมานานนะแต่มาตั้งวัดนี้ใหม่ๆก็มาเรียนเรียนแทบทุกวันเลยกรรมนบสการท่านอาจารย์นะฮะผมมาครั้งที่สามครั้งแรกนี่มาประมาณปีเสร็แล้วก็ครั้งที่สองนี่ประมาณสามอาทิตย์ที่แล้วนะฮะก็เอาซีดีของท่านอาจารย์แผ่นสิกับสิกาไปฟังก็ เริ่มปฏิบัติวันหนึ en, e ่งก็เห็นไม่กี่ครั้งนะฮะแต่ก็พบความเปลี่ยนแปลงที่มากพ อ, อสมควรครับอื ух, ดีครับจิตของโยมก็เปลี่ยนแล้วล่ะครับใช่ครับผมรู้ตัวเลยว่าเปลี่ยนไปเยอะดีครับจริงๆแล้วไม่ใช่ธรรมะหลวงพ่อหรอกธรรมะนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกไว้แล้วธรรมะที่ท่านสอนไวนะ้นเป็นธรรมะที่อัศจรรย์มากเป็นธรรมะที่ไม่เนิ่นช้าเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเลยอย่างเราเคยจมอยู่กับความทุกข์นานๆตอนนี้ความทุกข์จะสั้นลง ชีวิตเราจะเปลี่ยนเบาขึ้นโป่งขึ้นมีความสุขมากขึ้นยิ่งเรารู้กายรู้ใจมากเท่าไหร่นะรู้ความจริงมีสติรู้ความจริงของกายของใจมากเท่าไหร่ยิ่งมีความสุขมากขึ้นเท่านั้นนี่เพราะฉะนั้นยิ่งรู้ทุกยิ่งมีความสุขเป็นเรื่องแปลกในขณะที่คนทั้งโลกนะั้นไม่อยากรู้ทุกเลยไม่อยากเห็นทุกอยากจะเห็นแต่ความสุขเขาก็เลยหาความสุขไม่ได้ดีแล้วละภาวนาโมทนานะคุณเรียนสามครั้งได้ขนาดนี้ เออผมก็ฟังซีดีของพ่อครับแล้วก็ตัดตามดูมายังไม่นานเท่าไหร่ครับไม่ทราบว่าเป็นยังไงบ้างครับอา้าวก็ดีนะ่ะดูไปเรื่อยๆเห็นกิเลสแล้วยังเห็นบ้าครับวันหนึ่งกี่หนก็สักแค่ยี่สิบที่สักยี่สิบทีอะไรครับอะไรนะสักยี่สิบครั้งแล้วเอาให้ได้เยอะๆนะครับเอาให้ได้นาะทีละยี่สิบครั้งครับแล้วจริงๆนะกิเลสมันเกิดทุกๆ วินาที2วินาทีมันเกิดแล้วล่ะครับในเฉพาะโมหะใจเราเผลอใจเราไหลไปแวบบแวบบแวบมบันแบบจะเร็วมากหลวงพ่อจะพาให้ดูไหมอยากดูไหมใจที่หลงไปครับ ด, ดูความเร็วของมันนะเนี่ยไปแล้วรู้สึกไหมงงแนละ้วความงงเกิดขึ้นไม่เห็นรู้สึกไหมเนี่ยให้รู้หลกไปนะเนี่ยใจแอบไปคิดแล้วรู้สึกไหมมันเรือนเรือนเลิบเลี่ยนไปใช่ครับนะ เยเห็นไหมวินาทีสองวินาทีก็ไปทีนึงครับดูรู้สึกจะดูยากครับถ้าเป็นความหลงดูเท่าที่ดูได้ครับดูสิ่งซึ่งเราเห็นก่อนครับส่วนมากแรกๆก็ต้องเห็นอารมณ์ที่หยาบอย่างโทสะต่อไปก็จะเห็นราคะเห็นอย่างที่หลวงพ่อพาดูเนี่ยเป็นโมหะจิตหลงจิตหลงนี่จะหลงถี่ยิบเลยนะวันๆหนึ่งหลงนับไม่ท้วนครมีคราวหนึ่งพระพุทธเจ้าถามพระบอกว่า เ e. ห็นความตายพ right? ิจารณาความตายวัและกี่ครั้งเนี่พระก็บอก1ครั้งสองครั้งพระนนท์บอกร้อยครั้งเลยท่านบอกประมาทร้อยครั้งอย่างประมาทเลยนะท่านบอกท่านเห็นอยู่ตลอดเวลาเห็นอยู่ทุกขณะคือท่านเห็นความตายทุกขณะก็คือท่านเห็นความเกิดดับอยู่ทุกขณะนั่นเองท่านถึงจะเรียกว่าไม่ประมาทแต่ของเราจะเห็นอย่างท่านไม่ได้ไม่ใช่ภูมิของเรานะขนาดพระนนท์ยังเห็นร้อยครั้งเลยของคุณเห็น20ครั้งก็เก่งแล้วนะ ดูให้ได้นะเอาให้ได้สักร้อยครั้ง200ครั้งใจที่เผลอไปใจที่มีกิเลสแทรกเข้ามารู้บ่อยๆ ย, ยิ่งบ่อยยิ่งดีนะอเชิญโยมกรับน้สัส ก, การหลวงพ่อคะ่ะก็ดูดูจิตอยู่ก็รู้ว่าเผลอบ่อยแล้วก็กิเลสก็เกิดบ่อยเวลาเกิดโทสะอะไรอย่างนี้ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเกิดโทสะแล้วจะหา ย, ยากอย่างนี้พอรู้ปั๊บก็จะหายเร็วขึ้น เห็นไหมแค่รู้มันก็ดับของมันเองโดยไม่ได้ตั้งใจอไม่ได้ตั้งใจไม่ต้องตั้งใจด้วยนะเพราะอะไรเพราะทันทีที่เรารู้ก็คือเรามีสติทันทีที่มีสตินะอกุศลจะดับทันทีไม่ทราบว่าติดเพ่งไปมากหรือเปล่าไม่ไม่ต้องกังวล น, นะมีนิดหน่อยไม่เป็นไรใช้ได้คือจะไม่ให้ไม่ให้เผลอไม่ให้เพ่เพงเลยเนี่ยเป็นไปไม่ได้ แต่ว่าถ้าเราเพง่งเรารู้ว่าเพ่งใช้ได้เผลอไปรู้ว่าเผลอใช้ได้ของคุณเหลือการประคองไว้เล็กน้อยนะนิดหน่อยไม่เป็นไรให้รู้ทันไปเรื่อยๆโยมนี้ก็เปลี่ยนไปเยอะละกรับนมมส ก, การค่ะหลวงพ่อค่ะคือตามดูตามรู้เห็นเห็นได้ชัดเจนขึ้นค่ะ ม, มีความละเอียดขึ้นมากเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นสุข เบาสบายโปร่งมากเวลานั่งปฏิบัตินี่นะคะมันเห็นถึงความเกิดดับของกายชัดเจนยิ่งขึ้นกายมันไม่มีเลยเห็นถึงความที่มันเป็นธาตุขันเห็นถึงเป็นว่ามันเป็นก้อนทุกข์ที่มันมีแต่พลังที่เชื่อมกันเท่านั้นเองมันมันมันเข้าใจได้ยิ่งขึ้นมันมีความละเอียดตรงนั้นนะคะส่วนนามธาทำเนี่นะคะมันเห็นชัดเจนถึงว่าวิญญาณรับ มันสัญญาเสริมเข้ามาสังขารปรุงแต่งเข้ามาแล้วมันก็เกิดเวทนาขึ้นมันเป็นมันเป็นคล้ายๆกองกองอยู่แล้วก็มีความเหนียวนำของคลื่นพลังอะค่ะมันมันรู้สึกเห็นถึงความเกิดดับอยากเรียนถามหลวงพ่อว่าในขณะที่นั่งปฏิบัติเนี่ยนะคะนั่งสมาธิทุกวันเนี่ยนะคะกายมันไม่มีเห็นถึงความเกิดดับส่วนจิตเนี่ยมันก็รู้สึกอยู่แต่มันก็มีสภาวะของการเกิดดับเนี่ยนะคะ ตอนช่วงนั้นเนี่ยมันมีความรู้สึกมีเป็นสุขนะคะเราก็รู้ว่าสุขแต่ตัว น, นี้มันจะมีการจมแช่นานเกินไปไหมถ้าเราจะเสวยสุขตอนนั้นนะคะไม่เป็นไรถ้าเรามีความสุขรู้ว่ามีความสุขไม่ติดเนี่ยที่หลวงพ่อเพิ่งบอกใครตะกี้เนี่ยค่ะก็ช่วยไม่ได้ควรมันมีบุญมันจะมีความสุขมันมีความสุขมากเจ้าค่ะหลวงพ่อภาวนานะหลวงพ่อไม่ทุกข์เท่าไหร่หรอกภาวนาแล้วมีความสุขบางคนเลยบอกหลวงพ่อนะภาวนาแบบสุขขาปฏิปทานะ เลยอยากขอคําแนะนําว่าสมควรจะทํำยังไงต่อจ้าทำอย่างนี้แหละทําอย่างเดิมทําต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะแล้วก็คอยรู้ทันกิเลสของเรามากขึ้นมากขึ้นกิเลสเนี่ยพอประณีตขึ้นไปพอละเอียดขึ้นไปหน้าตาสดใสนะหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูไม่กิเลสหน้าตาโหดร้ายเหมือนกิเลสตัวเล็กตัวตัวก่อนๆที่เคยเห็นกิเลสต่อไปนี้จะเนียนเนียนดูยากมันเป็นกิเลสของคนดี การค่ะตอนนี้เต้นเต้นค่ะ เ, ออเต้นเต้นไม่เป็นไรก็คราวที่แล้วมาพระอาจารย์บอกว่าติดแข็งไปนิดหนึ่งค่ะถ้ากลับไปปฏิบัติแล้ตอนนี้เมื่อสองสมวันนี้กําลังฟังเทพพระอาจารย์อยู่กิดเข้าแวบเข้ามาหาแวบรู้สึกตัวขึ้นมาก็ก็ส่องมาดูมาดูาหน้าอกอาหาแล้วเห็นหน้าอกในี่ใสสว่างพอมีความรู้สึกปรุงแต่งขึ้นมาก็ก็ดับไปเลยอ แล้วก็ตอนนี้ก็สึกว่าตังกรมาคามนั้นแล้วสึกว่าเจ็บขตื่นขึ้ น, นบ่อยขึ้นนะแล้วก็เผอน้อยหน่อยค่ ะ, ะดีรู้สึกตัวบ่อยขึ้นค่ะ อ, อยากขอคําแนะนําค่ะว่าทําอย่างนี้แหละทําอย่างเดิมนี้น ะ, ะกําลังดีแล้วทําต่อไปขอบคุณค่ะมีความเปลี่ยนแปลงซึ่งเจ้าตัวก็รู้สึกได้วันนี้ดีเนาะแต่มันตื่นเต้นเวลาไม่เข้าใกล้อะคะแต่ว่าภาวนาใช้ได้เลยช่วงนี้ดี อ่านยนิทนายนิทรู้สึกไหมเรากําลังสร้างอะไรขึ้นมาแล้วเราสร้างความเป็นนายณิตมันยังเห็นอยู่เหมือนกันฮะมันทำไมชอบจะสร้างอะไรอยู่ตลอดเวลามันเคยชินเราก็รู้ทันมันนะค่ะค่ะ้องไงเวลาส่งกันบ้านก็เป็นมันก็ดีมันเหมือนถูกตรึง เวลาไปเขียนธรรมะนูเขียนคล่องแคล่วเวลาส่งกันบ้านแข็งแข็งไปเลยพูดอะไรไม่ออกพีที่จริ ง, รงมีเรื่องจะส่งเยอะมากเลยนะคะแต่มันเยอะเกินไปเลยะครับตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองช่วงที่ผ่านมานะคะรู้สึกว่ามันยอมยอมลงไปเยอะมันเป็นกลางขึ้นกับสิ่งที่เห็นนะคะถูกต้องไหมคะถูกต้องคช่ไะงั้น ต่อไปแบบนี้ต่อนะคะภาวนาแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆได้ไหมคะนี่ต้องคอยรู้ทันนะเราชอบไปสร้างความเป็นไนยนิ์ขึ้นมาสร้างอัตลักษณ์ของเราขึ้นมาแล้วพอเวลาเราอยู่คนเดียวไม่เป็นไรพอเราจะเข้าใกล้คนอื่นปุ๊บมันจะมีไนยนิทขึ้นมาจะเกิดขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมคะนัให้รู้ทันตัวนั้นะไม่งั้นเราจะรู้สึกมันจะเป็นดาราไปเลยเป็นนักแสดงอะมันไม่ใช่ตัวจริงคให้เรารู้ทัน ดูตัวนี้ต่อไปนะคะป้ามเป็นไรจิตเป็นยังไงยังติดพยายามอยู่คะ่ะค่อนข้างเพ่งไปหรือเ่าะนะจิตนะมันไม่มีความสุขไปเพ่งมันแรงไปรู้สึกบางเนี่ยช่วงนี้จะมีแน่นบ่อยเหมือนกันคะ่ะแต่จะไม่ดิ้นรนเท่ามเมื่ออาทิตย์ก่อนนะคะดีแล้วเสามสิบสี่ ิไม่ค่อยมีกำลังช่างมันครื่องของมันมีความสุขกว่ากว่าที่ก่อนจะถึงวัดแี่มันแน่นๆตอนนี้มันสบายแล้วถ้าอะไรก็ได้นะสบายนะแต่ถ้าเราจะต้องดีก็จะส่งกันบ้านเนี่ยไม่สบายบบอะไรก็ได้นะอ้าวคุณพัชชณีรู้สึกว่ารู้สึกตัวบ่อยขึ้นค่ะท่านอาจารย์ไม่ไม่ไม่ทราบว่า ถูกต้องหรือเปล่าถูกนะแต่ตอนนี้ประคองนะค่ะส่งไปกลับมัพ ก, การหลวงพ่อค่ะพอดีเพิ่งเพิ่งหัดปฏิบัตินะคะก็ยังเป็นมือใหม่อยู่ก็รู้สึกรู้ตัวมากิ่งขึ้นนะคะเมื่อเทียบกับสมัยก่อนอมสมัยก่อนอเวลามีกิเลสจะแบบจะทุกข์จมอยู่นานเลยนี่เราฝึกนะ้เราช่วยตัวเองได้เราไปชีวิตเราจะมีความสุขอยู่ด้วยตัวของเราเองไม่ต้องพึ่งคนอื่นเยอะหรอก ถ้าความสุขของเรายังต้องอิงอาศัยคนอื่นอิงอาศัยสิ่งอื่นเราก็จะต้องตกเป็นทาสของคนอื่นและสิ่งอื่นๆแต่ถ้าเราสามารถมีความสุขอยู่ด้วยตัวเราเองนะเราจะได้เป็นอิสระธรนะมชาตการหลวงพ่อครับดีใจได้มาส่งกันบ้านสักทีก็<笑><笑>ปฏิบัติมานานแต่รู้สึกว่าหลงนานนะครับแล้วก็หลังๆมาก็เลยเพยายาม บริกรรมพุทโธในชีวิตประจําวันอืๆเพื่อที่จะได้รู้พุทโธเป็นแบ็กกราวด์เพื่อจะรู้จิตอย่างนี้ถึงจะเป็นส่วนมากชอบพุทโธให้จิตนิ่งพุทโธให้จิตนิ่งไม่ได้อะไรได้แต่นิ่งเราพุทโธแล้วค่อยๆสังเกตพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสิ่งที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็คือจิตนั่นเองแล้วเราพุทโธแล้วเราก็สังเกตจิตของเราไปเรื่อยๆ พุโทโธแล้วจิตมีความสุขก็รู้จิตเป็นทุกข์ก็รู้เป็นกุศลอะกุศลรู้ไปได้่อยครับอยเรียกว่าพุโทโธเป็นแล้วที่ผ่านมารู้ถูกบ้างหรือยังถูกสิใจค่อยตื่นขึ้นมาแล้วใจโปร่งโปร่งแล้วรู้สึกไหมครับแต่จะเห็นทุกข์เยอะมากกว่าสุขอะ <c oughs> ครับเห็นทุกข์ก็ดีแล้วแล้วมันทุกข์ตามไปด้วยนี่อ ต, ตรงนี้เพราะเรารู้ไม่ทันเราไม่ชอบเพราะเราไม่ชอบเราเลยทุกข์ตามมันไป แต่ถ้าเราเห็นธาตุขันนี้เป็นทุกข์นะแล้วเราเป็นกลางกับมันเราไม่ทุกข์ด้วย mm hmm. เราจะเห็นธาตุขันนี้เป็นทุกข์แต่เราไม่ทุกข์ผมควรจะทำสมถะมากก็ทำไปอย่างนี้พุโทโธไปเรื่อยๆทั้งวันเลยนะพุทโธแล้วก็ดูจิตไปเรื่อยๆการนัดการสมพอนะครับผมเพิ่งมาเป็นครั้งแรกอ่ะฮะก็รู้สึกอชอบนะฮะก็คงต้องขอแนว ปฏิบัติวิธีปฏิบัติจากหลวงพ่ออีกทีก็ดูใจของเราไปนะครับแต่ละวันใจเราเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายคอยดูความเปลี่ยนแปลงของเขาไปเรื่อยๆไม่ไปบังคับเขาครับใจเราเหมือนเด็กนะเด็กไม่ไม่ชอบถูกบังคับหรอกเราปล่อยให้เด็กนี่ซนไปเดี๋ยวเด็กก็หัวเราะเดี๋ยวเด็กก็ร้องไห้เราคอยตามดูอยู่ห่างๆกลับมรสการค่ะหลวงพ่อก็ดีใจค่ะที่ได้พาพี่เข้ามาด้วยวันนี้ก็มีซึมหน่อยๆค่ะ เป็นซึมแช่เป็นบัดรหรือเปล่าเป็นค่ะไอเป็นอาทิตย์กว่าแล้วค่ะรู้ไปน้ำมาศการหลวงพ่อค่ะข้างในยังแข็งแขงอยู่ค่ะอือใช่ถูกกล้องล้เป็นไหมส่งกันบ้านหลวงพ่อง่ายนะแข็งแข็งก็บอกว่าแข็งแข็งตื่นเต้นก็บอกว่าตื่นเต้นก็สอบผ่านละกลับนะ้ำมาศการหลวงพ่อค่ะก็ซ้อมดูดูจิตดูกายอยู่ค่ะ ก็เห็นว่ากายนี้ใจนี้บังคับไม่ได้เห็นตัวอย่างจากว่ามีคนที่เราเห็นว่าเขาชอบมาพูดไม่ดีกับเราเราก็ตั้งหลักว่าจะจะไม่โกรธนะคะแต่พอเขามาพูดปั๊บอ๋อเราโกรธไปเราก็ยังไม่รู้ตัวก็ทิ้งเอาไว้ชั่วโมงหนึ่งพอเรารู้ตัวแล้วอ้อเราโกรธเข้าไปแล้วเราถึงเราถึงหายโกรธได้่ะเราเห็นถ้ารู้ความโกรธนะความโกรธเกิดขึ้นพรามีสติรู้ก็หายเลยไม่ต้องไปทาอะไรหรอก แต่ถึงไม่มีสตนะิก็หายเหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะความโกรธเขาไม่เที่ยงไม่มีใครหรอกโกรธได้ตลอดปีแต่ว่าถ้าเรารอให้ความโกรธหายไปเองอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ปัญญาแต่ถ้าเรามีสติขึ้นมาปุ๊บเราเห็นความโกรธที่กําลังเกิดอยู่นะมันขาดแป๊บไปเราเห็นแล้วมันเกิดแล้วดับอย่างนี้เราได้ปัญญาฉะนั้นคนทั่วๆไปเนี่ยความโกรธเกิดขึ้นมันก็ดับเหมือนกันโดยตัวของมันเองเพราะมันไม่เที่ยงแต่ว่า ผู้ผู้ผู้เป็นเจ้าของความโกรธนั้นนะไม่ได้ปัญญาขึ้นมาการที่เรามีสติเราเห็นความโกรธมันจะมาก็ห้ามมันไม่ได้มันจะดับไปเราก็ไม่ได้สั่งมันก็ดับขอมันเองเราก็ได้ปัญญารู้ว่าเราบังคับมันไม่ได้นี่ความต่างกันของผู้ปฏิบัติกับผู้ไม่ปฏิบัติต่างกันแค่นี้เองไม่ใช่ว่าผู้ปฏิบัติแล้วจะไม่โกรธโกรธเหมือนกันไม่ใช่ว่าผู้ไม่ปฏิบัติจะโกรธเกิดขึ้นมาแล้วต้องโกรธตลอดก็ไม่ใช่ แต่เห็นว่าพอตั้งตั้งหลักว่าจะไม่โกรธแต่ว่าจริงๆแล้วก็เห็นว่ามันบังคับไม่ได้บงับคบงคับไม่ได้หรอ ก, ร อ, กอย่าไปตั้งหลักอย่างนั้นเลยลเหยเห็นว่าพอรู้ตัวปั๊บว่าออกโกรธไปแล้วมันหายได้ใช่ๆน่าหัดเด็กนะหัดรู้บ่อยๆอันนได้อีกคนหนึ่งน้าเบอร์25้านมันนสการค่ะพระอาจารย์ค่ะอยากจะเรียนถามว่าปฏิบัติที่ปฏิบัติอยู่นี่ถูกต้องไหมคะดีนะแต่ยมลดการบังคับตัวเองลงนิดนึงนะ รู้เล่นๆรู้สบายๆไปที่ฝึกอยู่พอใช้ได้ล้ค่ะเคยดูใจที่เปลี่ยนแปลงเห็นไหมใจเราเปลี่ยนทั้งวันค่ะเห็นเปล่ากิเลสเกิดเรื่อยๆค่ะแล้ดูไปเรื่อยถ้ากิเลสเกิดแล้วเรารู้ทันเราก็ใช้ได้ค่ะอย่างอย่างตอนเนี้ยเราอยากพูดรู้สึกไหมค่ะรู้สึกคะ่ะเราก็แค่รู้ทันเนี่ย อย่างบางครั้งเนี่ยถ้ามันจิตมันคิดขึ้นว่าลืมสิ่งของอะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องรู้สึกว่ายังไงคะพระอาจารย์อะไรนะจิตอะไรนะมันมันนึกขึ้นมาได้ว่าลืมทำนั่นลืมทานี่อย่างนี้เราต้องรู้สึกว่ายังไงคะไม่ต้องรู้สึกอะไรก็รู้ว่าลืมทำไปรู้รู้ต้องควรทำก็ไ่ทำอ๋อค่ะแล้วเกิดรู้สึกว่าลืมทำแล้วโมโหตัวเองไหมมันลืมอีกล้วโมโหนะรู้ว่าโมโหเนี่ยค่ะ บางทีก็สงสัยไอ้ไอการรู้นี่ถ้าเรานึกขึ้นมาได้ว่ามันลืมทำแล้วจะต้องรู้สึกว่าอะไรอย่างเงี้ยรู้ว่ากําลังสงสัยอยู่กําั ง, สงสรู้ลงปัจจุบันไปปัจจุบันกําลังสงสัยค่ะ เ, เคยเคยกโกรธหนักๆค่ะพระอาจารย์แล้วก็มันมันแวบขึ้นมาว่า เ, เนี่ยโกรธนะแล้วก็มีเหมือนรอยต่ อ, อ, อว่างแล้วก็มีไอ้ตัวโกรธใหม่มาอีกแล้วทีนี้เราก็ไป บนเลยค่ะเราก็ลืมมันเลยอันนี้คืออะไรครับอาจารย์ก็ตอนที่แรกที่โกรธอยู่เนี่ยจิตเป็นอกุศลตรงที่รู้ว่าโกรธนะจิตเป็นกุศลขึ้นมาความโกรธก็ขาดไปเหมือนะมีช่องว่างมาขั้นนหนึ่งเสร็จ แ, แล้วเหตุของความโกรธยังอยู่มันคิดขึ้นมาใหม่มันก็โกรธขึ้นใหม่พอโกรธขึ้นใหม่เราไม่พอใจเราก็ว่ามันไปค่ะแต่มันไม่เคยเห็นไอ้อย่างนี้มาก่อนเลยนะคะไม่จําเป็นสนะิถ้าเห็นมาก่อนคงเป็นพระอริยะเป็นนานแล้ว และอันนี้มันจะเห็นต่อไปข้างหน้าเรื่อยๆหรือเปล่าคะแต่มัน <ไป S 2> นา น, นแล้วนะคะเห็นไปได้เรื่อยๆแหละแต่ถ้าไม่เห็นก็ช่างมันอย่าอยากเห็นถ้าอยากเห็นรู้ว่าอยากเพราะงะั้นงานของเราเนี่ยนะมีนิดเดียวความรู้สึกใดกําลังปรากฏในปัจจุบันรู้ไปเรื่อยๆเอาปัจจุบันค่ะแล้วช่วงงานเยอะ <c oughs> ๆนี่มันบางทีมันอ่านหนังสือเป็นครัวคะ่ะอ่านหนังสือมันหายไปเลยอะคะอ่ะว่าจะมารู้อีกทีหมดเวลาไปเยอะหลายชั่วโมงค่ะ หาหายนานอย่างนั้นหมายถึงอะไรอ๋อไปอยู่กับหนังสือไปอยู่กันหนังสืออ๋ออย่างนั้นต้องเป็นอย่างนั้นเลยที่หลวงพ่อพูดตั้งแต่แรกเวลาที่เราทํางานที่ใช้ความคิดน่ะมันรู้กายรู้ใจไม่ได้มันต้องไปรู้งานถูกต้องแล้วค่ะมันเลยเหมือนจะเสียเวลานะ้วค่ะเสียเวลาภาวนาแต่ถ้าเรายังต้องทํามาหากินอยู่กับโลกเราก็ต้องทํานะค่ะที่ปฏิบัติอยู่ดีแล้วนะคะดีแล้วละดูเรื่อยๆขอบพระคุณครัไปเชิญโยมกลับบ้านนะขอคุยกับพระ